หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญเพราะเวลาที่ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่า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 ก็ทำอย่างนี้มาตอนก่อนที่จะออกบวช<ม>ก็ทรงดับความทุกข์ใจด้วยการเสบรูปเสียงกลิ่นลดพวดตพะทรงมีประสาทสามฤ ด, ดูมีนางสนมมบีบริษัทบริวารมีรูปเสียงกลิ่นลดพวดตพัดพระชนิดต่างๆไว้คอยบำรงบำเร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 ความทุกข์ใจนี้อยู่ในใจและมีเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหลังจากที่ทรงพิจารณาจเจริญวิปัสสนาหลังจากที่ออกจากสมถะภาวนาคือเบื้องต้นทรงทำพระไถยให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ทรงจเจริญปัญญาพิจารณา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 ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายใหม่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบในขณะที่ทรงประทับอยู่ใต้ต้นโพในเกินวันแผ่นเดือนหกแล้วส่งพิจารณาหาวิธีดับความทุกข์หาวิธีหยุดตันหาความอยาก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 ก็ต้องไม่อยากเช่นเดียวกับความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ต้องอยากไม่จนจนก็จนต่าต้อยก็ยอมต่าต้อยแก่ก็ต้องยอมแก่เจ็บก็ต้องเยี่ยมยอมเต็มตายก็ต้องยอมตายต้องพัดพลากจากของที่รักของที่ชอบบุคคลที่รักบุคคลที่ชอบ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 เพราะมันเป็นอนัตตาคือผู้ที่จะละตัณหาความอยากต้องเห็นอนัตตาต้องเห็นอนิจจาอนิจจาก็คือไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสีวันไข่ขึ้นขึ้นลงลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นจะให้ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้จะให้รวยอย่างเดียวไม่ได้จะให้ได้อย่างเดียวไม่ได้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 วิธีการดับความทุกข์ของมนุษย์ในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรตวและมาประกาศพระธรรมคำสอนวิธีดับความทุกข์ด้วยการเจริญมรรคด้วยการเจริญทานศีลภาวนาผู้ใดาสามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติได้ ผู้นั้นก็จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ในเบื้องต้นทรงไปโปรดผู้ที่ได้บำเพ็ญทานได้บำเพ็ญศีลได้บำเพ็ญสมถะภาวนามาแล้วคือทานก็ได้สละไปหมดแล้วไม่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองศีลก็รักษาได้อย่างบริสุทธิ์จิตก็สงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นฌาน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 เพียงแต่รอแสงสว่างแข็งของดวงอาทิตย์ก็จะบานออกมานี่ก็คือนักบวชทั้งหลายที่มีฌานมีศีลมีฐานพอทรงแสดงอริยสัจสี่ทรงแสดงมรรคแปดให้แก่ท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้ก็ สามารถละความอยากได้ดับความทุกข์ได้ในขณะที่ฟังเลยเช่นพระอน ญ, ญาณโกนธัญะญเป็นบุคคลแรกที่เข้าถึงพระอริยสัจสี่เข้าใจกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา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 ถึงแม้ยังจะมีโบสถ์มีเจดีมีถาวรววัตุต่างๆอยู่มีนักบวชห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ตามแต่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจของนักบวชเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะยังพระพุทธศาสนา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 ธรรมะของนักบวชก็คือศีลสมาธิปัญญาต่างกันไหมก็ต่างกันตรงที่มีทานหรือไม่มีทานสําหรับนักบวชนี้ไม่มีทานต้องทําเพราะได้ทําสําเร็จดุ่งรุ่งไปแล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆก็ได้บริจาคไปหมดแล้วจึงเหลือแต่ศีลสมาธิปัญญา สมาธิปัญญาก็คือภาวนานี้เองสมถภาวนาก็คือสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือปัญญ า, เ, าเวลาที่ส่งสอนผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างคารวะญาติโยมนี้จึงต้องสอนเรื่องทานก่อนให้ละเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก่อนเพราะเป็นเหมือนสมอเรือ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 เพราะได้บริยจากได้สละไปหมดแล้วจึงไม่ต้องสอนเรื่องทานต่อ น, นักบวชสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิและปัญญาในยุคแรกๆเรื่องศีลก็ไม่ต้องสอนเพราะนักบวชเหล่า น, นั้นก็เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เรื่องสมาธิก็ไม่ต้องสอนเพราะมีสมาธิอยู่แล้วจึงสอนแต่เรื่องปัญญา สอนเรื่องอนิจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องอริยสัจสี่แต่ต่อมาหลังจากที่ได้ทรงสอนกลุ่มบัวเหล่าที่หนึ่งไปหมดแล้วบรรดานักบวชทั้งหลายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจานวนมากแล้วต่อมาก็ต้องมาสอนพวกบัวกลุ่มที่สองพวกบัวกลุ่มที่สองก็คือพวกที่ เป็นนักบวชนักษาศีลอยู่บอยสุดอยู่แต่ยังไม่สามารถได้สมาธิได้ฌานก็ต้องมาสอนให้เขาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบสงสอนในสติปัฏฐานสี่สอนให้เจริญสติเพื่อที่จะได้มาควบคุมบังคับใจไม่ให้คิดปรุงแต่ง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 ยังมีความยึดติดอยู่กับร่างกายก็มีความยึดติดกับเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาสุขก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆเวลาทุกข์ก็อยากจะให้หายไปเร็วๆเวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากจะให้มันสุขเพราะเกิดความอยากเหล่านี้มันก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา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 ก็ทรงสอนเรื่องจิตต่อไปเรื่องธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตธรรมอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่ผ่านมาที่มีอยู่ภายในจิตนที่เกิดจากการสังสังความคิดปรุงแต่งสัญญาความจําได้ไหมายรู้คิดไปปรุงไปก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดสุขบ้างไม่สุขบ้าง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 ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ธรรมารมณ์อย่างถาวรวิธีแก้ต้องแก้ด้วยปัญญาแก้ที่ความอยากอย่าไปอยากให้ธรรมารมณ์เป็นไปตามความปรารถนาของเราจิตจะผ่องใสจิตจะเศร้าหมองก็รู้ไปตามความจริงอย่าไปอยากให้มันผ่องใสไปตลอดอย่าไปอยากให้ไม่ให้มันเศร้าหมอง ให้รู้ทันว่ามันเป็นอนิจจ์จิตในระดับนี้ขั้นนี้ยังมีกิเลสตัณหาที่ละเอียดที่เรียกว่าอาวิชฌาโมหะซ่อนอยู่ในจิตที่จะคอยหลอกให้จิตหลงยึดติดกับธรรมอารมณ์ต่างๆต้องใช้ปัญญาเช่นเดียวกับที่ใช้กับร่างกายใช้กับเวทนาใช้ตารักอนิจจงทุกขังอนัตตาแล้วจิตก็จะปล่อยว่า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 ถ้ายังมีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความสุขให้เขาดับความทุกข์ได้ก็ยินดีที่จะทำแต่ไม่ได้ทำด้วยเพื่อตัวเองพระพพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกหลังจากที่ได้ทรงตัดสัลุได้บรรลุธรรมแล้วได้เป็นพระอาหารหันได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงปฏิบัติภารกิจสงเคราะห์สัตว์โลกต่อไป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 ตอนเช้าก่อนที่จะสรงออกบินธบาตก็สรงเลงยานดูว่าจะไปสงเคราะ์บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษบุคคลที่พร้อมที่จะรับหรือมีความมีเรื่องของกรรมที่อาจจะต้องทำให้เสียชีวิตไปในในเวลาอันใกล้ก็สรงไปโปรดบุคคลเหล่านั้นก่อนแล้วก็สรงบินธบาตร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 ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามเติบโตขึ้นไปออกดอกออกผลได้ใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีธรรมะหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเบื้องต้นก็หล่อเลี้ยงด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมพอได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปพิจารณาต่อพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังนี้ไป ปฏิบัติดับความทุกข์พอดับความทุกข์ได้ก็เหมือนกับได้ดอกได้ผลเนี่ยความรู้ทางพระพุทธศาสนาจึงแบ่งเป็นสามขั้นตอนด้วยกันที่เรียกว่าปัญญาสามสุตตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญากินตามายะปัญญาแล้วก็ภาวนามายะปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนไป ขั้นแรกต้องอาศัยสุตะมะยะปัญญาก่อนถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเลยเราจะไม่รู้อริยสัจสี่เราจะไม่รู้มรรแปดเราจะไม่รู้จากไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเราจะไม่รู้จากกา마ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาพอเราฟังแนละ้วเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างไรอันไหนเป็นเหตุของ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 ก็คือเราก็ต้องทำทานรักษาสีภาวนาถ้าเรามีความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขเราก็ต้องละมันด้วยการทำทานเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขต่างๆนี้ไปทาทานแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่บริสุทธิ์คือความสุขที่ปราศจากความอยากถ้าเราเอาเงินไปซื้อความสุขที่เกิดจากความอยากพอ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 บาก็จะไม่มีไม่ทำบาปใจก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขแล้วก็มาเจริญสติมาภาวนาทำใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากอันนี้เราต้องทำควบคู่กันไปทั้งสุตตมยปัญญาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะฟังจากจากการเทศ ของครูบาอาจารย์ก็ได้จะฟังหรือจะอา่านจากเทพหรือหนังสือก็ได้เหมือนกันต้องทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็เวลาไม่ได้ฟังไม่ได้อา่านก็ต้องมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณารมต่างๆเรียกว่าเป็นจินตามายะปัญญาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอสุภะนี้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 ถ้าเห็นเขาเป็นโครงกระดูกเห็นเขาเป็นซากศพใจก็จะไม่อยากที่จะเสพการกับเขาพอละการได้ก็ถือว่าบรรลุได้ละความทุกข์ได้ก็เรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาที่จะละความทุกข์ละตัณหาดับความทุกข์ได้ก็คือภาวนามายปัญญา ภาวนามยะปัญญาจะเกิดขึ้นก็ตอนที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยะปัญญาพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาก็พิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะไปพอละตัญหาได้ความทุกข์ดับไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาภาวนามยะปัญญาถ้าพิจารณาโดยที่ยังไม่มีความทุกข์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 ก็สามารถใช้อาวุธยุทธโภคกรณ์ต่างๆทำลายฆ่าศึกศัตรูได้ได้ชัยชนะได้นี่คือปัญญาระดับที่สามเรียกว่าภาวนามายปัญญาแต่จะต้องมีอาศัยจินตามายปัญญาเป็นผูเ้เตรียมการไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนไม่ซ้อมลบไว้ก่อนไม่ซ้อมหัดใช้อาวุธยุทธโภคกรณ์ต่างๆเวลาออกศึกจะใช้ไม่เป็น ถ้าไม่มีจิตตาเมย์ปัญญามันก็จะไม่มีภาวนามย์ปัญญาตามมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆเนืองๆก็คืออยู่เรื่อยๆเช่นทรงสอนในบวทที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความเจ็บความแก่ความตายไปไม่ได้ เรามีการพัดภาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้จงพิจารณาอยู่เนืองๆเถิด เ, เพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมนั่นเองเพราะเวลาที่จะมีความจำเป็นที่จะเอามาใช้ทำลายปัญหาความอยากต่างๆดับความทุกข์อย่างจะได้เอาออกมาใช้ได้ถ้าไม่พิจารณาไว้ก่อน พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จะหาอะไรมาดับทุกข์เนี่ยคือ เ, เ, เรื่องของปัญญาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้ใจจะไม่อยากจะคิดถึงทางธรรมะเพราะใจไม่ใจมีกิเลสตัณหาที่ยังมีกำลังวังชาอยู่กิเลสตัณหาก็จะเด้งเราไปคิดในวิธีการดับทุกข์ด้วยการหา ลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้ไกายจะไม่พามาให้เรามาคิดถึงการดับความทุกข์ด้วยการพิจารณาปัญญาเจริญอนิจังทุกขังอนัตตาแต่เวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาได้ตอนนั้นกิเลสตัณหาที่มีกำลังวางชาก็เหมือนนอกมวยที่ถูกต่อยล้มลงไปนับแปด พอนับแปดลุกขึ้นมานี่ก็ยังโซเซงงวงเงียอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปพิชิตฆ้าศึกษัตัวได้อย่างง่ายได้ฉันไดไว้ผู้ที่ได้ฌานแล้วเวลาออกจากฌานมานี้จิตจะไม่ค่อยมีกิเลสตัญหาลบกวนเหมือนกับคนที่ไม่มีฌานไม่มีสมาธิยังสามารถที่จะเจริญจินตามายะปัญญาได้แล้วก็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 พวกเราก็จะเป็นหนึ่งในผู้บุคคลเหล่านั้นถ้าเราปฏิบัติตามบุคคลเหล่านั้นมีศรัทธามีวิริยะมีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนทุกประการให้สมกับคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วรับรองได้ว่าผลก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผรอนยะทาวาเรวาหาปุราปริกปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสัมมิตจตุ สัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนาระโสย h ามนิโชติอาระโสย h าสพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจายโน จตาโรโหมมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางอาต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนก็จับไม่แล้วไม่วางนะ <laughs> คนอื่นเลยถามนะว่าวันนี้ทําไมอ่ะนุนั่งอยู่นุนทำไมนุเพ้อนุนจะอยากหลับหลับหลับนูจะบาปไหมไม่บาปหรอกเพียงแต่สติไม่มีเลยว่าทํางานมาเหนื่อยอ่าขาดนอนนี่แต่เพาะนะแต่นี่จะอยากหลับอย่างเดียวเมื่อวานมีมีสติเข้าแต่วันนี้ไม่เข้าเลยหลับอย่างเดียวเออาจจะทํางานมาเหนื่อยแล้วไม่นอนไม่พอไม่ทํางานมาเหนื่อยนุตื่นดึกอ่ะตื่นดึกตื่นตีสามคึ่งทุกวัน ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ปัญญาฟังธรรมแล้วเป็นทัพพีในมอแกงฟังไม่รู้เรื่องพ่อพ่อออยากลั่ออยากลับไม่เ้าใจเดขึ้นมาแล้วแบเดินกีขึ้นมาอาได้หน่อยแตอยากลาบีอะ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 ถึงว่าต้องจดจำแต่ก็พยายามปล่อยวางมานั่งคิดว่าถ้าเรานั่งจดนั่งจำก็จะไม่มีโอกาสรับธรรมมะนั้นเหมือนที่พระอาจารย์เทศสอนนึกขึ้นเป็นภาพปกติเราก็ชอบฟังธรรมมะแต่บางครั้งเห็นพี่ๆญาติธรรมขึ้นมาจดเรียนถามพระอาจารย์ว่า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 ถ้าเป็นขั้นหลุดพ้นแล้วก็ดูเฉยๆดูลมไปให้มันหมดไปก็จบมันดูหนังหนังพอขึ้นโดยแ อ, อนก็จบปิดเครื่องก็อยู่ที่ขั้นของจิตของเราขั้นของธรรมของเราว่าเราอยู่ขั้นไหนถ้าขั้นสติก็พุทโธพุทโธไปขั้นสมาธิก็เข้าฌานไปขั้นปัญญาก็พิจารณาตายรักไปขั้นหลุดพ้นแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไปก็เท่านั้นเอง หมดคําถามจากทางบ้านแล้ค่ะหลวงพ่อมีท่านผู้หญิงข้างหลังผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างหลังส่งมาให้หน่อยเลยทีแรกมาก็คิดว่ามีหนึ่งปัญหานะคะแต่เมื่อกี้พอฟังเทศท่านอาจารย์จบแล้วนะคะก็อยากจะถามเพิ่มอีกหนึ่งปัญหานะคะปัญหาแรกที่ตั้งใจถามจากที่บ้านก็คือว่ามีเออ่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 ค่ะแล้วอีกปัญหาหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่ฟังนะคะที่ว่ายุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามามาตรัสรู้ในโลกนี้นะคะที่ว่าต้องไม่มีศาสนาพุทธเนี่ hmm. ถ้าเราไม่อยากเกิดมายุคนั้นนะคะ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 ถ้าไปถึงขั้นพรมก็จะอยู่เป็นหมื่นปีหมื่นปีแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาใหม่ก็ทําเติมน้ำมันใหม่อะจนกว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วถึงค่อยปฏิบัติขั้นสูงสุดได้แล้วจะมีโอกาสไหมคะก็มีเนี่มาถึงที่นี่แล้วใกล้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เกินไม่เกินเจ็ดปีไม่เกินเจ็ดปีถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เออ ไปบวชเลยทิ e ้งสามีทิ้งลูกอ้าวแล้ไม่กลัวเลยกลัวก็ต้องกลัวต้องทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งสมบัติไงนั่นแหะสิต้องมาเจออย่างงี้ถึงต้องทิ้งไงจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ไงพอปฏิบัติแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิด ร ะ, ะมัตรกวัพระาจารย์ค่ะถามถามต่อค่ะพระอาจารย์คือเท่าที่ทราบก็คือถ้าเป็นผู้ชายในยุคนี้จะค่อนข้างโชคดีถ้าเกิดอยากอยากบวร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 คอยดึงเราเวลาที่เราออกนอกลกูนอกทางไปถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เรายังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตันหาอยู่แล้วมันก็ยังหลอกเราได้อยู่ยังทางที่ดีไปอยู่กับครูบาอาจารย์ดีกว่ามีแม่ชีที่บรรลุธรรมก็มีแม่ชีแก้วลูกศิษย์หลวงตาลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นท่านก็ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็ขเขาสวนหลวงอยู่ที่ราชบุรีท่านก็บรรลุได้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 หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็รับประทานาแล้วก็มีกุฏิของใครของใคนอยู่พอปฏิบัติได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาค่ําก็ลงไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัดกันเท่านั้นเองแล้วถามว่าหลวงพ่อท่านรับอยู่ว่ารับใครใหญ่เข้าไปเขาไปได้<ช>ก็รับรับถาวรเลยอ่ะก็อยู่ที่เราถาวรก็คือว่าอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทํานะทาตัวเราให้ดีเขาก็อยากจะให้เราอยู่อถ้าเราทําตัวไม่ดีเขาก็อยากจะให้เราไปค่ะ เพรเท่าที่ทราบถามถามน้องๆคือเขาก็บอกเออ ย, ยังยังแบบหาที่แบบถาวออารเนี่ยคือระยะไกลๆอะไรที่เขาอยากสบวชอะไรแบบนี้มีมีลองไปวัดทางภาคอีสานเนี่ยมีส<อ>ายกุบาจารย์เนี่ยสายหลวงปู่ ม, มั่นเนี่ยมีอยู่เยอะอแต่ว่าเราอาจจะไม่ไม่อยากจะไปเพราะว่าอาหารการกินที่อยู่อาศัยมันไม่มันไม่คุ้นเคยมั้ง อ, อาหารก็จะเป็นข้าวหนง่งข้าวเหนียว เ, เป็นลาบเป็นอะไรไป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 มันพอพว่าอคิดว่าเอ๊ยเราต้องตายแต่ว่ามันจะเจ็บไหมเนาะรู้ว่าจะไปเงียบเงียบหรือว่าจะไปยังไงอะไรเงี้ยมันก็มันก็สรุปไปว่ามันก็ไปเหมือนกันตัดมันไปตัดบทมันไปสิฟุ้งซ่านไปเลยตัดบทมันไปอย่าไปให้มันฟุ้งซ่านบอกว่าถึงเวลาตายมันไม่มีใครเลือกได้มันจะตายแบบไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ตายรีบเล่งความเพลียเสียแค่นี้ก็พอเรายังไม่มีสติพอที่จะควบคุมความคิดของเราได้ถ้าอย่างนั้นก็ควรที่จะ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 ดันั้นการพิจารณาของเราตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเราต้องสร้างสติขึ้นมาให้มีกำลังมากกว่านี้เพื่อเพื่อที่จะได้บังคับให้มันคิดไปในทางร่องรอยที่เราควรจะคิดครับอามีกเจนะ จากที่ฟังเทตอาจารเรื่องจินตมยปัญญากับภาวนามยปัญญาค่ะถ้าเกิดอนอกจากเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบแล้วเราพิจารณาค่ะถ้าเกิดในระหว่างวันอย่างเช่นเวลานั่งรถเมลหรือว่าขับรถไปค่ะบางทีเหมือนจิตมันสงบลงชั่วเป็นชั่วนาทีแล้วก็เหมือนมีการยกปัญหาขึ้นมาคิดแล้วมันก็เหมือนกับโปงตร ง, งเหมือนกับ ละลงได้บ้างๆอะคะ่ะไม่ทราบว่าอย่างนคนรจะทําด้วยหรือเปล่าคะ่ะทําได้ทุกเวลาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราจะใช้จินตาก็ได้ใช้ภาวนาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ถ้าใจเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเราใช้ปัญญามาดับมันก็จะเป็นภาวนาไมายปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีความทุกข์เราคิดไปก็เป็นเหมือนกับจินตาทําการบ้านไปก่อนยังไม่มีข้อสอบถ้ามีข้อสอบก็ต้องทําข้อสอบเลย บางทีชีวิตเราเราไปเลือกไม่ได้ว่าวันนี้จะให้มันเป็นจินตนาหรือเป็นภาวนาเกิดโดนใครเขาตบหน้ามานี่มันร้อนขึ้นมานี่มันก็ต้องใช้ภาวนามย์ปัญญาต้องโป่งให้ได้พิจารณาว่าอันนี้จังทุกขงังอนัตตาห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะตบเราก็เรื่องของเขาตบไปแล้วเรามาทุกทําไมเจ็บกายแล้วมาเจ็บใจให้เสียสองต่อทํำไมเสียแดงเดียวก็พอ ก็คือถ้ามีคณิกะสมาธิแในระหว่างวันก็สามารถพิจารณาได้ได้คือควาว่ามีสมาธิก็คือเราต้องจิตรวมก่อนแล้วยอย่างน้อยก็สงบ<ะ>แล้วพ อ, อ, อจากความสงบนี้ก็ถือว่าสามารถจเจริญได้ที่จเจริญได้มากได้น้อยอยู่ที่กําลังของสมาธิ<ะ>ถ้าเราโชวคู่ต่อสู้ลงไปนับแค่หนึ่งมันก็ขึ้นมาแรงมากถ้านับห้าแรงมันก็น้อยหน่อย<ะ>ถ้านับแปดนับเก้านี่มันก็มันก็เท่บจะหมดแรงเนี<ะ>่ยเราต้องเอาให้มันนับแปดให้ได้ นับแปดก็คือรวมลงไปเลยแต่ยังไม่รวมก็อาจจะนับหนึ่งสองก็ลุกขึ้นมาแล้วคุณมครับมีใครอยากกระถามอย่างไหมเพราะถ้าจะไม่มีจะปิดการประชุมเอาหนึ่งสองสามจบ อขอให้ท่านจงเอา น, นำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณานะและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด